الذين م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم ج ن ا تجري سندخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أ ب د ا و ع د الله حقوا ومن أصدق من الله قيلاً. <تصفيق> กระทำความดีทั้งหลายนั้นเราจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่าง น, นั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลเป็นสัญญาของลอร์อย่างแท้จริงและใครเล่าที่มีคําพูดจริงยิ่งไปกว่าละบอมมานกุลออร์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 ال และผู้ใดกระทำรรส่วนที่เป็นความดีงามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพศ ช, ชายหรือเพศหญิงก็ตามโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วไส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 จะมีศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์โดยที่เขาเป็นผู้กระทำความดีและปฏิบัติตามแนวทางของอิบรยฮิมเพื่อไฟหาความจริงแล้วลอได้ถือเอาอิบรยฮิมเป็นสะสใภ้และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้น เป็นสิทธิของในในในอัลลอ์และอัลลอ์นั้นทรงล้อมทุกสิ่งไว الَّتِي ا لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْتَكِحُهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَقُومُ ل ِ ل ْ ي َ ت َ ا م َ ا بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 และในการที่พวกเจ้าจะดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่บรรดาเด็กกำพรา้าและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทำไปนั้นแท้จริงอล l a ทรงรู้ถึงความดีนั้นอน และศุลพุขัยร์และอัพจหรติเِอคุสอชุพะว่าอินَุพสินุวัตตตัคว์ฟอินนัลลาอัลลอฮ์ว่าอินทุพสินุวัตตตัคว์ฟและหากหญิงใดเกรงว่าจะมีการเย็นชาหรือมีการผินหลังให้จากสามีของนางแล้ว ก็ไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองที่จะตกลงประนีประนอมกันอย่างใดอย่างหนึ่งแต่การประนีประนอมนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าและจิตใจของคนนั้นถูกให้มีความตรณีแล้วและหากเจ้ากระทําดีและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทําำ และพวกเจ้าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในระหว่างพันยาได้เลยและเมื่อว่าพวกเจ้าจะมีความปรารถนาแแรงกล้าก็าตามดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเอียงไปจนหมด แล้วพวกเจ้าก็จะปล่อยบรรดาผู้ที่ถูกทอดทิ้งนั้นประนึ่งถูกแขวนไว้และหากพวกเจ้าปรณีประนอมกันและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอิตและหากทั้งสองนั้นจะแยกกัน อัลลอฮ์ก็จะส่งให้ความเพียงพอแก่เขาทั้งจากความร่ำรวยของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งกว้างขวางผู้ส่งปริช า, า, ลล า, าลลญา و و และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ์และแท้จริงเราได้สั่งเสียไว้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับคำาพียงก่อนจากพวกเจ้าและพวกเจ้าเลยว่าจงยำเกรงอัลลอ์เถิดและหากว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา ถ้าจริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ใ น, น, น, น, น AH. แ AH นนนผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงร่ำรวยผู้ทรงได้รับการสรรเสริญสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และพอเพียงแล้วที่อัลลอ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองรักษาอีช uh ิบุอยนนสวยาติอรีนัลลอฮะหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วลราก็จะทรงให้พวกเจ้าทั้งหมดไปโอมนุษย์เอ๋ยและจะทรงนำพวกอื่นมาแทนและปรากฏว่าอัลลอฮทรงเดชานุภาพเหนือสิ่งนั้นม ا آ ผู้ใดที่ต้องการสิ่งตอบแทนในโลกนี้ที่อลัลลอฮ์นั้นมีสิ่งตอบแทนในโลกนี้และพระโลก และรอนนั้นเป็นผู้สรงได้ยินผู้ทรงเนยา أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين เ ي เ ك ค ن غني ا ์อว์ฟากีร์ ل َ ا ั ل ه าห์ ا ف َลอฮ์อัลลอฮ์เ ا ็ ت ผู้ประมาทฟัลลาตِตต و ا เอลฮาวาَ์แอน ا ั่งดิลูอินเต و ا อَวตั่งริดูฟัَนาหั่งมลูนัชอ เป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจงเป็นพยานเพื่ออลัลลอและแม้ว่าจะเป็นภัยแก่ตัวเจ้าเองหรือผู้บังเกิดกล่าวทั้งสองและญาติที่ใกล้คิดก็ตามหากเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจนอัลลอก็สมควรยิ่งกว่าทั้งสองกรณีดังนั้นจงอยากปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ตามในการที่พวกเจ้าจะยุติธรรม และหาพวกเจ้าเล่นลิ้นหรือผิดหลังให้แท้จริงหรอทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำยา أيها ا ل ذ ي า آ م ู و ا آ ิ ن و ا بالله و ر س و บ ه والكتاب الذي ن ز าร ل ูลิฮ ه والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل و َ ن ่ يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلال بعيداً بُسَ بع จงศรัทธาต่อหล่อและรอซูนของพระองค์เถิดและคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่รอซูนของพระองค์และคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานลงมาก่อนนั้นและถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อหล่อและมาเลิกกล้าของพระองค์และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์และบรรดารอซูลของพระองค์และวันประโลกแล้วใส่แน่นอนเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลอิบ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 บรรดาผู้ติยตเอาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นพวกเขาจะแสวงหาอำนาจที่พวกเขากระนั้นหรือ แท้จริงอำนาจนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮทั้งหมด。วَ ق َ د ْนَ ز َّ ل َ ع َ ل َ ي ْ ف ي ا ل ك ت ا ب أ ن إ ذ ا س َ م ع ت م آ ي ا ت ا ل ل ه ي ك ف ر ب ِ ه ا و َ ي س ت ه ز أ ب ِ ه ا أ ن إ ذ ا س م ع ت م آ ي ا ت ا ل ل ه ي ك ف ر ب ِ ه ا و َ ي س ت ه ز أ ب ِ ه ا ف ل ا ت ق ع د و ا م ع ه م ح ت ى ي خ و ض و ا ف ي ح د ي ث غ ي ر إ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 ถ้าจริงพวกเจ้านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เหมือนกับพวกเขาถ้าจริงอลเราจะทรงรวบรวมบรรดาผู้ที่กลับกลอและบรรดาผู้ที่พิติเศษสถาไว้ในนรกย่านนําทั้งหมดอัลวดีนยะตรรบสูนบิคุมฝ่าอีนคานะละคุมฝ่าแทมมินัลล้าหิคาลูอลัมนคุมมาคุม و َ إ ِ ن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَنْعَقُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ و َ ل َ ي يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا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 และเราจะไม่ส่งให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นอันขาดอินนัะลุนาฟิกีน يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون ا ل ل ล إلا ق ل ي ل า ถ้าจริงบรรดาผู้กลับกรอกนั้นกำลังหลอกลวงอัลลอ์อยู่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขาและเมื่อพวกเขาลุกขึ้นไปละหมาดพวกเขาก็ลุกไปในสภาพที่เกียจคร้านโดยให้ผู้คนเห็นเท่านั้นและพวกเขาจะไม่กล่าวดำลึกถึงอัลลอ์นอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบบบลอ โดยที่พวกเขาลังเลใจระหว่างนั้นไม่ไปทางพวกนี้และไม่ไปทางพวกนั้นและผู้ใดที่อัลลอฮ์ได้ให้หลงทางไปแล้วเจ้าก็จะไม่พบทางรอดใดๆสำหรับเขาเป็นอันขะยาอเยห์เหล่าทีนอามนูละตะท๊อดอัคาฟรีนเอาลิยามินดูนิลมุเอมี เอาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาบรรดาพูดที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นงิดโดยไม่เอาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าต้องการที่จะให้อัลลอ์มีหลักฐานอันชัดเจนจัดการพวกเจ้ากระนั้นหรือ แท้จริงบรรดาผู้ที่กลับกรอกนั้นอยู่ในชั้นต่ำสุดของนรุและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่พวกเขาเป็นอันขาด وا وأ นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและประปรุงแก้ไขและยิดมั่นต่อลรือ และได้ให้ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลละ์ในการนับถือศาสนาของพวกเขาโดยสิ้นเชิงชนพวกนี้แหละจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วอัลลอ์จะทรงประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอั um um um ลลอฮ์จะทำการลงโทษแก่พวกเจ้าทำไม กพวกเจ้ากระตันอยู่และศรัทธาและปรากฏว่าอาลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงขอบใจผู้ทรงรอบรูร้อลัลลอฮ์ไม่ทรงชอบการใช้เสียงดังในคําพูดที่ไม่ดีนอกจากผู้ที่ถูกกลมเหลีงและปรากฏว่าอาลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิง่ง ถ้าพวกเจ้าเปิดเผยความดีหรือปกปิดมันไว้หรือให้อภัยในความเลวร้ายใดๆแล้วถ้าจริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเดชานุภาพเสมอ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَيُرِيدُونَ أَنْ بَيْنَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ يُفَرِّقُوا اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ بِبَعْضٍ ون ت แทจิ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อหล ل อ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 ชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยแท้และเราได้เตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอภยศแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย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 فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أكْبَرَ مِن ْ ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنَا َ اللَّهَ جَهْرَهُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ا ل ْ ب َ ي ْ ن َ ت ُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ و َ آ ت َ ي ْ ن َ ا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا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 หลังจากที่หลักฐานอันชัดเจนได้มาอย่างพวกเขาและเราก็ได้ให้อภัยในเรื่องนั้นและเราได้ประทานอำนาจอันชัดแจ้งให้แก่มูซาและเราได้ยกภูเขาตูร ขึ้นเหนือพวกเขาเพื่อได้ให้มาซึ่งสัญญาของพวกเขาและเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงเข้าประตูดันไปโดยโก้มศีรษะลและเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงอย่าได้ละเมิดในวันเสาร์และเราได้เอาสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขา ف ะบีมา نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقه وقولهم قلوبنا غلف بل قبَع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا ق ل ال ي, ي ق ق ل, ل ا แล้วเราก็ได้สาปแช่งพวกเขาอันเนื่องด้วยการที่พวกเขาทำลายสัญญาของพวกเขา และปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลละ์และข้าบรรดานาบบีโดยปราศ จ, จากความเป็นทรรและการที่พวกเขากล่าวว่าหัวใจของเรามีเปลือกหุ้มอยู่หาไม่ได้อัลลอฮ์ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาตั้งหากเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธานอกจากเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น َبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانَ النَّعْظِيمَا และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทาและกล่าวให้ร้ายแก่มารยาทซึ่งความเท็จอันใหญ่ ه ลวง َإِنَّ การที่พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราได้ฆ่าอัลมาซีอีซาบุตรของมารยักรอซูลของอัลลอฮ์และพวกเขาหาได้ฆ่าอีซา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 َكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا หาไม่ได้อลัลลอฮได้ส่งยกเขาคืออีชาขึ้นไปยังพระองค์ตางหากและปรากฏว่าอาลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ส่งเดชานุภาพผู้ส่งปริชาญาต و ว่าอิมมินَ ا ب ลล ا ل ์คีต ب บี ب ิ م ลาเลยุมินِหนบَกับล์มูอที ه ีวَ์อุม์َ์กิยามตีย์คูนุอัลเลยิ ไม่มีชาวคำพีคนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธานแน่นอนต่อท่านนาบีุลอซาก่อนที่เขาจะตายแล้ววันกิยามวันนั้นอซสาจะเป็นพยานยืนยันแก่พวกเขาเหล่านั้น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 นื่องด้วยการที่พวกเขาเอาดอกเมียทั้งๆ ท, ที่พวกเขาถูกห้ามในเรื่องนั้นและเนื่องด้วยการที่พวกเขากินทรัพย์ของผู้คนโดยมิชอบธรรมและเราได้เตรียมการลงโทษอจเจ็บแสบไว้แล้วสําหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย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 แท้จริงเราได้มีองค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้มีองค์การแก่มั่วและบรรดานุ่มหลังจากเขาและเราได้มีองค์การแก่อิบราฮิมและอิสมาอินและอิสฮะและยาคบและบรรดาวงวาเหล่านั้นและอีสซาและอายุบและยูนุสและฮารู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 แ, ร, ร, กแก ร, รุสุลลัมมุบัชรีน์และมุนดิรีนเ ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล่าแล้ลลว ز ز นนสสนในอมนะผู้แจ้งข่าวดีและในานฐาะผู้้แจงข่าวร้ายเพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆอ้างแก้ตัวแกอหลอก หลังจากบรรดาศาสนาทูตเหล่านั้นและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาลาคินลลอหุยิช هد ุมบิมาอันเลลเอิลัยกอัลเละห์บิอิลมิฮิวัลมาลัยค์ตุยิชฮ์ดู